รญพท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่12สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันหยุดทางราชการ ถือว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติเพื่อที่พวกลูกๆทั้งหลายจะได้มีเวลามารำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของคุณแม่และของคุณพ่อผู้บังเกิดกล้าวเพราะบุคคลทั้งสองนี้ เป็นผู้ให้กำเนิดกับลูกๆทั้งหลายนั่นเองถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็จะไม่มีลูกไม่มีเราพวกเรานี้เป็นหนี้บุญคุณของพ่อของแม่อย่างใหญ่หลวงการกระทำใดที่เป็นการแสดงความสำนึกในบุญคุณ ที่เป็นการตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่จึงควรถึงกระทาอยู่อย่างสม่าเสมอตราบใดที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นเรายังต้องทดแทนบุญคุณและล้ำลึกถึงพระคุณของท่านอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอ เพราะถ้าเราไม่ทำเราก็จะกลายเป็นคนในระคนเป็นคนอาฆตันอยู่คือคนที่ไม่มีความสำนึกในบุญในคุณของบิดามารดาก็ไม่ต่างจากเดรฉานเดรฉาหนี้เขาไม่รู้จักพ่อจากแม่เพราะไม่มีใครสอนเขาเดรฉาหนี้เขาไม่สามารถ พูดคุยกันได้เขาไม่มีความสามารถที่จะสื่อความรู้ให้ต่อกันและกันได้ทางวาจาดังนั้นเรื่องที่ละเอียดเรื่องที่สูงกว่าการเรียนรู้ด้วยสายตาก็จะไม่สามารถเรียนรู้ได้เช่นทรกคุณอันประเสริฐของบิดามารดาถ้า เรารู้แล้วเราไม่มีความกะตันอยู่ก็เปรียบเหมือนกับเราได้ลดฐานะของเราจากมนุษย์ให้ไปเป็นเดราาัจฉานเพราะเราก็จะไม่ต่างจากเดราาัจฉานดังนั้นเราจึงต้องมีความสำนึกลำนึกถึงพระคุณบิดามารดาอยู่อย่างต่อเนื่องมีการสอนว่า เวลากราบพระแล้วก็ให้กราบบิดามารดาการกราบนี้เป็นอุบายเพื่อให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณเช่นเวลาเรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่กราบเฉยๆการกราบเฉยๆนี้ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นบุญแต่อย่างใด แต่การการาบด้วยการนำเลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณถึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาเพราะเราจะได้ปัญญาความรู้นั่นเองถ้าเรากราบเฉยๆเราก็ไม่รู้ว่าเรากราบอะไรเราอาจจะคิดว่าเรากราบพระพุทธรูปแต่ความจริงพระพุทธรูปนี้ ไม่ใช่เป็นองค์ของพระพธธุทธเจ้าเป็นเพียงตัวแทนเท่านั้นตัวแท้จริงของพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระพุทธคุณเช่นที่เราสวดอิติปิโสอรหังสัมมาอันนี้เราเระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสด้วยตนเอง ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถชำระจิตใจให้หมดจากกิเลสได้ด้วยตนเองมีคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้คือพระพุทธเจา้าแต่พอมีพระพุทธเจ้า ม, มาสอนคนอื่นก็มีสัความมีโอกาสที่จะชำระใจของตนให้สะอาดได้ จึงปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากคำว่าอาหารหันต์ก็คือผู้สิ้นกิเลสาวกก็คือผู้ฟังสาวกก็หมายถึงนักศึกษานักเรียนผู้ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต เหมือนกับพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสสิ้นทุกข์สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องของพระพุทธคุณที่เวลาเรากาบพระขอให้เราลำลึกถึงพระคุณอันวิเศษของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้มีอะไรเตือนใจเราให้เราปฏิบัติตัวเราตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้า เพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราล้อมนึกแล้วเราน้อมเอามาปฏิบัติไม่นานเราก็จะได้หลุดพ้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้น นี่คือความหมายของการกราบพระกราบพระเพื่อระลึกถึงบุคคลสําคัญคุณวิเศษของบุคคลที่สําคัญเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาลหันตาสาวกทั้งหลายท่านเป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาได้อย่างไรท่านเป็นเพราะท่านสุปฏิปันโนอูชุปฏิปันโนยายังปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโน ท่าไม่ได้เป็นพระอาริยสงฆ์เพราะว่าท่านบวชมานานหรือท่านเรียนหนังสือมามากการบวชนานการเรียนหนังสือมามากเรียนจบพระไตรปิฎกแต่ถ้าไม่นําเอาไปปฏิบัติก็ยังจะไม่สามารถบรรลุเป็นพระอาริยสงฆ์สาวกของพระพระเจ้ธธาได้ผู้ที่จะบรรลุได้นี้จึงต้องเป็นผู้ที่เรียกว่า ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือคุณสมบัติของพระอริยสงสาวกถ้าเรากราบแล้วเราลัลลลึกถึงพระคุณเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีศรัทธามีความวิรยิยะคือความอุตสาหะที่จะพยายามปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็น สวากขาโตภะวตาธรรมโลแปลว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงสอนว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงเช่นเราตายไปแล้วเราไม่ได้สูญไปกับร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจของเราก็เป็นดวงวิญญาณออกจากร่างกายไป ออกไปแล้วก็ไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เราทำไว้ถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็พาเราไปเกิดเป็นเทพเป็นครมเป็นพระอริยเจ้าถ้าบาปมีกําลังมากกว่าก็จะดึงเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกนี่คือสวาขาโตภะกวตาธรรมโมคือความจริง ที่พวกเรามองไม่เห็นกันมีแต่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นได้เพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเองท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนทำให้ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นดวงจิตเห็นดวงใจเห็นดวงวิญญาณ เห็นกฎแห่งกรรมเห็นการเวียนว่ายตายเกิดและเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นอาการลิโกก็คือเป็นความจริงตลอดเวลาไม่มีวันเปลี่ยนไปความจริงเหล่านี้ไม่มีวันเปลี่ยนไปตามกาลตามเวลาไม่เหมือนความจริงอย่างบางอย่างเช่นร่างกายของเรานี้ มันเปลี่ยนไปตามการตามเวลาเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็แก่แก่แล้วมันก็เจ็บเจ็บแล้วมันก็ตายสิ่งของต่างๆในโลกนี้ก็เช่นเดียวกันมีการเจริญแล้วก็มีการเสือ่อมมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปไม่เป็นอาการลิโกเหมือนคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงที่ ไม่ว่าผู้ใดอยู่ในดุคใ ย, ยสมัยใดสามารถน้อมเอาไปปฏิบัติได้สามารถรับผลอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันได้นี่คือคุณธรรมของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเรากาบพระคือกาบพระพูธกาบพระธรรมกาบพระสงฆ์เราต้องระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ แล้วจะทําให้เรามีจิตใจที่สดชื่นเบิกบานมีความยินดีที่จะดําเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินไปแล้วเวลาหลังจากกราบพ่อแล้วก็ให้กราบพ่อกราบแม่ต่อกราบพ่อจะได้ละลึกถึงพระคุณของพ่อกราบแม่จะได้ละลึกถึงพระคุณของแม่ ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็จะไม่มีเราเราก็จะเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้แทนที่จะเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไปเกิดเป็นสุนัขแทนก็ได้เพราะถ้าไม่มีมนุษย์ก็ต้องไปเกิดเป็นสุนัขหรือไม่เช่นนั้นถ้ามีบุญก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมไปต้องมีมนุษย์ต้องมีพ่อมีแม่ เราถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้การเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงเป็นสิ่งที่ยากกว่าการเกิดเป็นอย่างอื่นเป็นเดรัจฉานี้เกิดง่ายกว่าเพราะอะไรเพราะเดรัจฉานี้มีมากกว่าจํานวนมากกว่ามนุษย์มีจํานวนมากกว่ามนุษย์หลายล้านเท่าด้วยกันไม่เชื่อลองนับพวกปลวกพวกวอดพวกมแมลงดูว่ามันมีกี่ตัวกัน มีเต็มไปหมดมนุษย์นี้เรามีจํานวนน้อยกว่าเพราะเวลาจะเกิดของมนุษย์แต่ละครั้งนี้เกิดได้ยากกว่าเกิดได้ทีละคนและการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องหมดบุญหมดบาปก่อนคือต้องเวลาตายไปต้องไปใช้บุญใช้บาปก่อนพอใช้บุญใช้บาปจน มีกําลังเท่ากันบาปดึงไปอาบายไม่ได้บุญดึงไปสวรรค์ไม่ได้ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้ายังไม่มีพ่อไม่มีแม่เช่นพ่อแม่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็ยังต้องรอไปก่อนต้องรอให้พ่อแม่แต่งงานกันก่อนถึงจะได้มีลูกออกมาได้นี่คือความ ยากเย็นของการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และผู้ที่มีพระคุณต่อการให้กำเนิดเป็นมนุษย์ก็คือบิดามารดาพ่อแม่ของเรานั่นเองพอเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมได้ที่จะนําพาจิตใจของเรา ให้หลุดพ้นจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็จะไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสระโรมาตั้งพระพุทธศาสนามาสอนพวกสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าก็มีพ่อมีแม่ พระพุทธเจ้าก็ล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่เช่นเวลาที่หลังจากได้ทรงตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงใช้ญาณวิเศษของพระ อ, องค์ค้นหาแม่ของพระ อ, องค์ที่ตายไปเจ็ดวันหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ประสูตยออกมาพอพระพุทธเจ้าบรรลุแล้ว มียานวิเศษแล้วก็สามารถค้นหาดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณของพระพุทธมารดาจนค้นพบว่าอยู่บนสวรรค์แล้วก็สามารถติดต่อพูดคุยกันได้จึงสามารถสั่งสอนให้พระพุทธมารดาได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันได้ได้เข้าสู่กระแสสู่พระนิพพาน ที่จะได้บรรลุถึงพระนิพพานไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากและจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ว่าจะเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่การเป็นพระโสดาบันนี้จะมีพลังต่อต้านกรรมที่จะดึงให้จิตไปเกิดในอบายได้นี่แหละคือวิธีทดแทนพระคุณ ของพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธมารดาส่วนพระพุทธบิดาก็ทรงโปรดสอนตอนที่ใกล้จะตายตอนที่ทรงประชวรหนนะักก็ไปสอนไปเทศแสดงธรรมให้ฟังจนได้บรรลุปเป็นพระอรหรันต์เจ็ดวันก่อนจะก่อนที่จะเสด็จสวรรคตไปก่อนที่จะตายไป ก็ช่วยให้พระบิดาไม่ต้องกลับมาเวียน่หวตายกเกิดติกต่อไปนี่แหละเป็นวิธีทดแทนบุญคุณที่สูงสุดที่ลูกจะสามารถทำให้กับพ่อกับแม่ได้แต่ก่อนที่จะทำได้ลูกก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์ก่อนต้องเป็นพระโสดาบันก่อนถึงจะรู้ว่าวิธีทำให้ตนเองเป็นโสดาบันนั้นเป็นอย่างไร วิธีที่จะทำให้ตอนเป็นพาาระอรหันต์เป็นอย่างไรถ้าไม่รู้วิธีก็จะไม่สามารถไปสอนผู้อื่นให้เป็นได้เหมือนกับเราหุงข้าวไม่เป็นเราไปสอนให้คนอื่นเข้าหุงข้าวหุงยังไงเขาเขาหุงไม่เป็นเหมือนกันเพราะเราหุงไม่เป็นเราจะเอาความรู้มาจากที่ไหนเราต้องเป็นก่อนแล้วถึงจะสามารถสอนผู้อื่นได้ พระพุทธเจ้าจึงต้องเป็นพระอาหารหันต์ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะไปสอนให้ผู้อื่นเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระโสดาบันตามพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือวิธีทดแทนบุญคุณที่สูงสุดหรือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาได้หมดเลยนอกจากนั้นแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการ ทดแทนบุญคุณได้หมดต่อให้เราเลี้ยงดูบิดามารดาไปจนถึงวันตายของท่านแบกหามท่านไว้บนบาบนไหลให้ท่านอุจจร ะ, ะปัสสวะรับตัวเราเลี้ยงดูขนาดไหนบุญคุณของท่านก็ยังไม่มีวันหมดไปดังนั้นเราอย่าลืมบุญคุณอันยิ่งใหญ่นี้พยายามทดแทนบุญคุณตามกำลัง ตามฐานะของเราที่เราจะทําได้ถ้าเรายังอยู่ภายใต้การปกครองของท่านเราก็ต้องมีความเคารพให้ความเคารพต่อบิดามารดาให้ความเชื่อฟังไม่มีการโต้เถียงไม่มีการตอบโต้ว่ากล่าวบิดามารดาไม่ว่าในกรณีใดก็ตามบิดามารดาจะผิดจะถูก มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปว่ า, ากล่าวบิดามารดาเราเป็นเหมือนนักเรียนบิดามารดาเป็นเหมือนครูเป็นอาจารย์เรามีหน้าที่ฟังคำสอนของท่านเพียงอย่างเดียวส่วนจะทำตามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคำสอนที่ผิดหรือถูกถ้าเป็นคาสอนที่ถูกก็ควรจะทาตาม ถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ถูกก็ไม่ต้องทำตามก็ได้ไม่เป็นการอากตัยูแต่อย่างใดแต่การกลับไปด่าไปว่าไปบอกว่าพ่อแม่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อันนี้เป็นความกัดอักตันยูเราต้องฟังเฉยๆผิดถูกดีเชื่อเป็นเรื่องของบิดามารดาไม่ใช่เรื่องของเรา แม้ว่าบิดามารดาไปติดคุกติดตารางเขาก็ยังเป็นบิดามารดาเราอยู่เราก็ยังต้องทดแทนบุญคุณของเขาอยู่ต้องไปดูแลต้องไปส่งอาหารส่งน้ำไปรับใช้ไม่ใช่ว่าพอเขาเป็นคนไม่ดีก็เลยถือว่าบุญคุณหมดไปมันบุญคุณมันไม่หมดเพราะการกระทำของพ่อของแม่ถึงแม้เขาจะ พยายามจะฆ่าเราก็ตามบุญคุณก็ยังไม่หมดเพราะคนเราต้องยอมรับว่าบางทีบางเวลาก็อาจจะเผลอสติได้ลูกแก่อำนาจของโมหะโทสะโลภะได้อาจจะไปทำอะไรในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้แต่บุญคุณนี้ก็ไม่ได้ถูกทำลายไปจากการกระทำ สิ่งในสิ่งที่ไม่ดีของบิดามารดาบุญคุณก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมจะหมดก็ต่อเมื่อเราทําให้ท่านเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอรหันท่านั้นนอกจากนั้นแล้วยังไม่มีวันหมดต้องดูแลต้องทดแทนบุญคุณกันไปต่อไปจนก่อจะตายจากกันไปนี่คือเรื่องของการทดแทน คุณของบิดามารดาถ้าเราเป็นคนที่ไม่รู้บุญคุณของผู้อื่นเราจะเป็นคนดีไม่ได้เพราะรากฐานของคนของคนดีก็อยู่ที่ความกตัญญูกะตะเวทีนี้เองคนที่เป็นคนอกตัญญูนี้แสดงว่าเป็นคนมืดบอดเป็นคนไม่เห็นคุณค่าของผู้อื่นเห็นคุณค่าแต่ลดตนเอง ทำอะไรก็จะคิดกระทํำเพื่อตอนเองเพียงอย่างเดียวจะไม่คิดถึงการกระทําการกระทําตอบแทนต่อผู้มีพระคุณเลยคนอย่างนี้จะไม่สามารถเจริญในสังคมได้เพราะจะไม่มีใครจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะคบค้าไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรช่วยเหลือเขาแล้วแทนที่เขาจะ มีความสำนึกในบุญในคุณหรือตอบแทนบุญคุณกับไม่มีเลยกับทำร้ายเราเวลาที่เขาต้องการทำอะไรถ้าเราเป็นผู้ไปขัดขวางเขาเขาจะโกรธเราและเขาจะทำร้ายเราแต่ถ้าคนที่มีความกระตันอยู่นี้จะไม่กล้าทำจะเริมนึกถึงพระคุณของผู้ที่มีพระคุณด้วย ถึงแม้ว่าจะทำให้เขาโกรธเขาก็จะพยายามระงับการกระทำของเขาเพราะเขาเป็นหนี้อยู่เขาเป็นหนี้บุญคุณของผู้นั้นอยู่การไปทำร้ายบุคคลนั้นจึงถือว่าเป็นการเนรคุณนั่นเองการที่เราจะทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเราลืมบุญคุณเราจึงต้อง น, ำน้ำลกถึงคุณอยู่เรื่อยๆใครเคยทำความดีเคยช่วยเหลือเรา ขอให้เราเระลึกไว้อยู่เสมอถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถที่จะทดแทนบุญคุณได้ก็ตามแต่ไม่แน่ในวันข้างหน้าสักวันหนึ่งเราอาจจะมีความสามารถที่จะทดแทนบุญคุณได้แต่ถ้าเราไม่ล้ำลึกถึงบุคคลเหล่านั้นเราก็อาจจะลืมไปแล้วโอกาสที่เราจะได้ แสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อบุคคลนั้นก็จะทำไม่ได้ดังนั้นขอให้เราอย่าลืมบุญคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่เดรัจฉานเขาก็มีบุญคุณกับเราได้เขาช่วยเฝ้าบ้านให้เราช่วยไล่ขโมยให้เราเราก็ต้องเห็นคุณของเขา และตอบแทนบุญคุณเขาไปตามกำลังตามความสามารถของเรานี่คือวิธีที่เราจะทดแทนบุญคุณให้ความเคารพให้ความเชื่อฟังแล้วก็ไม่ดุด่าว่ากาบิดามานดาไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังบิดาผิดถูกดีช่วอย่างไรมารดาผิดถูกดีชั่วอย่างไร มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปครหานินทาผู้มีพระคุณเราต้องยกเว้นไว้ไม่ใช่เรื่องของเราคนทำดีทำชั่วเขาก็รับผลบุญผลกรรมของเขาไปแล้วไม่ต้องให้เรามาเป็นผู้ว่าผู้ครหานินทาซ้าเติมไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะว่าถ้าคนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนอัตตันยูเป็นคนเดรคุณเขาจะไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราถ้าเป็นแฟนกันเขาก็อาจอยากจะเลิกคบค้าสมาคมกันมีแฟนแบบนี้อันตรายเพราะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเขาจะทำะลายเราบ้างปะาะบิดามารดาผู้มีพระคุณเขายังทำอย่างนี้ได้ แล้วกับเราเราไม่มีก็คุณอะไรกับเขามากมายเขาจะทำอะไรกับเราบ้างเราก็จะไม่รู้คนเขาก็จะไม่กล้าไม่อยากที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเราเวลาเราเดือดร้อนก็จะไม่มีใครที่จะมาช่วยเหลือเรานี่แหละคือเรื่องของความมีความกตัญญูกะตะเวทีที่พวกเรา ควรที่จะรำลึกอยู่เสมอควรกราบพ่อกราบแม่ทุกเชา้าทุกเย็นหมายความว่ากราบโดยที่ไม่ต้องอยู่ต่อหน้าท่านก็ได้กราบเวลาเรากาบพระก่อนนอนกราบพระตอนหลังจากที่เราลุกขึ้นมาก็ให้กราบพระอรหันต์ของเราด้วยพ่อแม่ของเรานี้เป็นเหมือนพระอรหันต์ก่อนที่เราจะไปทำบุญกับพระอรหันต์นอกบ้าน ท่านสอนว่าให้เราทำบุญกับพระอารหันในบ้านก่อนดูแลพ่อแม่ไม่ให้โอดอยากขาดแคลนให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขอย่างสบายก่อนแล้วถ้ามีเงินทองเหลือค่อยไปทำบุญกับพระอารหันนอกบ้านเพราะเวลาที่เราไปทำบุญกับพระอารหรันท่านก็จะบอกให้เรากลับมาทำบุญกับพระอารหันในบ้านเราก่อนเพราะว่าพระอารหันในบ้านของเรา มีความสำคัญกับเรามากนั่นเองที่เราไม่ควรจะเลิมบุญคุณไม่ควรที่จะมองข้างไปดังนั้นถ้าเรากล่าบพระกราบพ่อแม่อยู่ทุกวันทุกเวลาเราก็จะไม่เลืมบุญคุณเราก็จะไปหาพ่อหาแม่หาข้าวหาของไปฝากอยู่เรื่อยๆมีอะไรที่เรารับใช้ได้ช่วยเหลือได้เราก็จะรับใช้ช่วยเหลือไป แล้วเราก็จะมีความเจริญขึ้นมาทางจิตใจใจของเราก็จะไม่เลื่อนลงจากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานแต่จะเลื่อนขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอารยาบุคคลตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องของวันแม่ที่พวกเราทั้งหลายได้มารำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ทั้งของแม่และของพ่อขอให้เราลำลึกทุกวันอย่าลำลึกแต่เฉพาะเพียงในวันนี้เท่านั้นเพราะมันจะทำให้เราเผลอเลอหรือลืม ห, ห, หน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติต่ตอบิดามารดาของเราถ้าเราไม่ลืมเราทำหน้าที่ของเราชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสดและความเจริญโดยถ่ายเดียว จึงขอฝากเรื่องของการนวัตเพื่อมาลำลนึกถึงพระคุณอันประเสริฐของคุณแม่และของคุณพ่อให้พวกเรานำเอาไปเจริญอยู่เรื่อยเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญคล้าคลาปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากาันเทอ